เดี๋ยวรับพรกันเลยนะสัพพิโยวิวัชันตุความจรายทท้งปวงจงบำราดไปสัพพรโอโวณินสันตุโรคท้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรยโยอันตราย่ามีแก่ท่านสุขีทีขายุโกภวา ท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาซีลิสนิจังวุธาปจายิโนจาตตารธรรมาวันติอายุวนโนสุขังพลังทำสี่ประการคืออายุวนาสุขาพลาย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นเหตุ ภาวะตูสะพมังคลางขอสาพมงคลจงมีแก่ท่านราคั่นตุสัพรเทวดาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสาพพุทธานุภาเวนา้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพัทธมมานุภาเวนา้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสาพัสรังคานุภาเวนา โดยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สทาโสทิพวัรตุเตข้อความสวัสดีทั้งละหายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทิม